อย่าบอกให้คนตายมาหาถ้าไม่อยากเจอผีสัมผัสสยองย้อนกลับไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเป็นช่วงที่ตายเรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งบ้านเดิมของตายอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นตาย ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนต่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านบางนาจะได้กลับบ้านก็แค่ปีละสองสาครั้งและช่วงที่เกิดเรื่องขึ้นก็เป็นตอนที่ตายกลับบ้านนี้เองตายเป็นคนชอบเปลี่ยนเฟซบุ๊กและเบอร์โทรศัพท์ค่อนข้างบ่อยเลยทำให้เพื่อนที่โรงเรียนเก่าติดต่อไม่ได้โชคดีที่ตายได้เจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน แต่เพื่อนคนนี้ตายไม่ค่อยสนิทแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เลยได้มีการทักทายพูดคุยกันนิดหน่อยตามประษาเพื่อนเก่าทําไมติดต่อแกยากจังวะนี่คนเขาพยายามติดต่อให้ไปงานศพน้ํากันฮะงานศพใครนะน้ําไงมันเสียได้มาสามสี่เดือนแลว้วแต่เขาติดต่อแกไม่ได้เลยจะชวนไปงานศพกันน้ําเป็นผู้หญิงเรียบร้อย นิสัยดีน่ารักเธอเขียนเฟ้นชิปแต่เรื่องดีๆตายยังเก็บมันไว้อยู่เลยเท่าที่จำความได้ตายได้เจอกับน้ำล่าสุดก็ตอนจบปหกลาวเพราะตายรู้ข่าวว่าน้ำเสียตายก็ตกใจมากและคิดในใจว่าอยากจะไปเยี่ยมน้ำในหัวก็วนเวียนคิดแต่เรื่องนี้เพราะตายทราบมาว่าตอนนั้นน้ำเกิดอุบัติเหตุรถยน ซึ่งน้ำนั่งไปกับพ่อแม่และน้องสาวรวมทั้งหมดสี่คนแต่มีน้ำคนเดียวที่เสียชีวิตที่เหลือรอดหมดพอตายได้กลับบ้านที่ขอนแก่นตายก็ตั้งใจว่าจะสวดมนต์ใหญ่ให้น้ำแล้วตายก็เข้าไปที่ห้องพระของบ้านก่อนสวดตายก็นึกในใจว่าน้ำอยากได้อะไรก็มาบอกตายนะเดี๋ยวทำบุญไปให้แล้วตายก็เริ่มสวดมนต์ แต่ที่แปลกก็คือระหว่างที่สวดมนต์อยู่นั้นหมาก็เริ่มหอนกันหลายตัวและหอนเสียงดังมากขณะที่ไตกําลังนั่งสวดมนต์อยู่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าโดนทับขาอยู่ใต้ขาชาจนเป็นเน็บไตคิดว่าไตาคงไม่ได้นั่งสวดมนต์แบบนี้มานานแล้วพอมานั่งสวดเป็นเวลานานๆขาก็เลยชาพอสวดเสร็จายก็นั่งพัก แต่ขาตายกว่าจะหายเน็บได้ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเหมือนกันและรู้สึกหนักขาอยู่ตลอดในตอนนั้นตายยังไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดถึงเรื่องผีแม้แต่น้อยหลังจากสวดมนต์เสร็จตายก็เข้าห้องนอนและเล่นมือถือดูนั่นดูนี่ไปอีกพักใหญ่จนถึงเวลาประมาณตีสตายก็เตรียมตัวที่จะเข้านอน และเรื่องมันก็น่ากลัวตรงนี้หละเพราะตายปิดไฟในห้องหมดแล้วปกติแล้วเวลาคนเราอยู่ในความมืดสักพักตามันก็จะปรับให้สามารถมองเห็นได้ในที่มืดแต่วันนั้นแปลกมากตายมองไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างมันมืดมากและภาพของเพดานห้องที่ตายเห็นก็เหมือนกับว่ามันขยับไปมาได้ แล้วก็มีเสียงหมาหอนดังมากดังจนตายกลัวตอนนั้นตายรู้สึกหนาวมากก็เลยเอื้อมมือไปหยิบรีโมทแอร์ที่วางไว้ข้างหมอนเพื่อจะปิดแอร์แล้วตายก็มองเห็นเงาดำๆซึ่งมีลักษณะเหมือนกับคนที่กำลังนั่งยองๆก้มหน้าอยู่ข้างเตียงตอนแรกตายก็คิดว่าตาฟาดไปหรือเปล่าตายก็เลยเพ่งมองดูชัดๆอีกที ว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วเงานั้นก็เริ่มโยกตัวโยกหน้าโยกหลังโยกไปโยกมาและโยกแรงมากขึ้นเรื่อยๆตาตตกใจและกลัวมากประกอบกับเสียงหมาหอนที่ดังมากไม่ยอมหยุดตายยกมือขึ้นมาปิดตาไม่กล้ามองตายปิดตาอยู่อย่างนั้นเกือบสิบนาทีในขณะที่หมาก็ยังหอนอยู่ตลอดเวลา ตอนนั้นมีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่นานมากเหมือนผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วตายคิดว่าคงไม่ไหวแล้วจะอยู่ท่านี้ทั้งคืนคงไม่ได้แน่ๆเลยหันกลับไปดูอีกทีแล้วมันก็ยังโยกเยกอยู่อย่างนั้นตายกรีดลั่นจำได้ว่าตอนนั้นกรีดดังมากกรีดแบบสุดเสียงแล้วตายก็กลับไปปิดตายอีกครั้ง และคิดว่าไม่ไหวแล้วต้องลงไปนอนกับแม่ห้องข้างล่างโดยปกติแล้วแม่จะเฟซททมกับพี่สาวที่อเมริกากันจนดึกคงยังไม่นอนเพราะตายตัดสินใจได้ก็รีบหยิบมือถือแล้ววิ่งออกจากห้องไปโดยไม่หันหลังกลับมามองเลยเพอะตายวิ่งเข้ามาในห้องนอนแม่แม่ก็ถามตายว่าเป็นอะไรแต่ตายกลัวที่จะพูด เลยรีบนอนลงตรงกลางระหว่างแม่กับพ่อจนหลับไปเช้ามาตายก็คุยกับแม่ถึงเรื่องที่ตายเจอเมื่อคืนหน่าแปลกมากแม่ตายไม่ได้ยินอะไรเลยทั้งเสียงตายร้องกรีดและเสียงหมาหอนทั้งทั้งที่ห้องนอนของแม่อยู่ชั้นสองส่วนห้องตายอยู่ชั้นสามและห้องนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกัน หมาหอนดังมากยังไงก็น่าจะได้ยินเพราะตายมานั่งนึกดูอีกทีก็คิดได้ว่าน่าจะเป็นน้ํานั่นแหละเพราะตายไปบอกเขาเอาไว้ว่าอยากได้อะไรให้มาบอกหลังจากนั้นตายก็ยังสวดมนต์ให้น้ําต่อแต่ก็ไม่บอกระ ว, ว่าให้มาหาตั้งแต่นั้นมาตายก็ไม่เคยมีอาการเหน็บชาหรือมีอะไรมาให้เห็นแบบวันนั้นอีกเลย ก็ได้แต่หวังว่าเพื่อนคนนั้นจะไปสู่สุคติแล้วเพราะเกิดเรื่องนี้ขึ้นหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าตายเป็นคนมีซิกเซนไปเลยอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของมินที่เจอในช่วงกำลังจัดงานศพและเป็นช่วงที่เพิ่งกลับจัดงานศพคืนสุดท้ายก่อนเผาเธอคนนี้ตอนมอปลาย เราเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่ไม่ได้สนิทกันเรียกว่าไม่เคยคุยกันเลยด่ซ้ำแต่เคยเห็นหน้าจำหน้าได้จำชื่อได้หลังๆเพราะมักจะเดินสวนกันบ้างสมัยที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเธอคนนี้สนิทกับเพื่อนในแก๊งของมินอยู่หลายคนเธอเสียชีวิตเพราะป่วยเป็นมะเร็งก่อนที่เธอจะเสียไม่นานมินก็ได้ไปเยี่ยมอยู่ครั้งหนึ่ง พอเสียแล้วก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานศพตั้งแต่วันแรกๆโดยไปกับเพื่อนในแก๊งของมินเองมินได้ไปช่วยถ่ายรูปในงานให้แบบงงๆเพราะแม่ของเธอคนนั้นเดินถือกล้องมาแล้วถามเพื่อนๆที่มาในงานว่าใครใช้กล้อง DSLR ของลูกเขาเป็นบ้างจะให้ช่วยถ่ายรูปในงานให้เพื่อนก็ชี้มาที่มินกันหมด เพราะมินใช้กล้องแบบนี้เป็นหรือพวกมันอาจไม่กล้าเอากล้องของเพื่อนที่เสียชีวิตมาใช้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมินเลยได้ช่วยถ่ายรูปให้แต่ตอนรถน้ำศพจนเสร็จพิธีในวันนั้นแล้ววันต่อๆมาก็ได้แวะมาช่วยในบางวันจนคืนสุดท้ายของงานมีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิททั้งมินและเพื่อนที่เสียไปได้โทรมาหามิน เพื่อฝากใส่ซองกับฝากไหว้ศพและฝากบอกเพื่อนที่เสียว่านางมาไม่ได้นะติดงานแต่นางใส่บาทให้ทุกวันถ้าอยากได้อยากกินอะไรเป็นพิเศษให้ไปบอกนางได้แล้วคืนนั้นตอนที่ไปไหว้ศพมินก็บอกไปตามที่นางฝากมาทุกอย่างแต่ดันเผลอลืมตัวพูดต่อไปว่าหรือจะมาบอกมินก็ได้นะเดี๋ยวจะใส่บาทไปให้เหมือนกัน ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามินพูดออกไปได้ยังไงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมาช่วยงานอยู่บ่อยๆจนเหมือนสนิทกันไปแล้วในตอนที่มินยังคงอยู่ในงานศพทุกอย่างก็ดูเป็นปกติดีจนมินกลับมาที่บ้านคืนนั้นมินนอนดึกมากมันเป็นเวลาประมาณตีสองจะตีสาแล้วมินรู้สึกว่าได้กลิ่นกลิ่นหนึ่ง ซึ่งมินจำได้เลยว่าเคยได้กลิ่น่นนี้ที่มุมหนึ่งของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตอนเด็กเพราะตอนเด็กมินต้องไปเฝ้าคุณย่าที่ป่วยอยู่หลายเดือนและจะต้องเดินผ่านห้องนั้นทุกๆวันหลังกลับจากโรงเรียนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ห้องเก็บศพหรือเปล่าแต่ไม่เคยได้กลิ่นนี้จากที่อื่นของโรงพยาบาลอีกเลย มารู้อีกทีก็ตอนที่เธอคนนั้นอาการสุดหนักทางบ้านก็เลยพาไปโรงพยาบาล น, นี้เพราะอยู่ใกล้บ้านที่สุดก่อนที่โรงพยาบาล น, นี้จะพาเธอไปส่งโรงพยาบาลในตัวจังหวัดอีกทีมินยังคงได้กลิ่นอยู่อีกสักพักใหญ่ตอนนั้นก็รู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันแต่ปกติก็เคยเจออะไรแปลกๆปกแบบนี้มาบ้างเจอเป็นเงา เจอเป็นลมมาเป่าที่หูอะไรแบบนี้แต่ น, น, นานๆจะเจอทีและไม่เคยเจอเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนแล้วมินก็ยังเป็นคนขี้สงสัยพอได้กลิ่นก็อยากจะหาต้นตอว่ากลิ่นนั้นหรือเงามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วมินก็มองหาโดยรอบว่ากลิ่นนั้นมาจากไหนในใจก็เริ่มคิดละ ว, ว่า เป็นเธอคนนั้นมาหาหรือเปล่าแตกใจหนึ่งก็คิดว่าไม่น่าใช่เพราะตัวเองก็ไม่ได้สนิทอะไรกับเธอคนนั้นถึงขนาดต้องมาหามาบอกลามินก็เลยนั่งมองไปเรื่อยๆด้วยความอยากรู้แต่สุดท้ายก็ไม่เจออะไรอยูๆ่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้บอกอะไรกับเธอคนนั้นไปที่วัดก็เลยพยายามจะหลับให้ไวที่สุด เพื่อเธอจะเข้าฝันแต่ว่ามาไวไปหน่อยมิ้นยังไม่หลับแม้คิดไปได้สุดท้ายคืนนั้นก็ไม่ฝันอะไรรุ่งเชา้ามิ้นก็ไปงานเผาศพแล้วก็ทำพิธีกรรมทุกอย่างจนจบงาน สมัดสิยก